อารมณ์ทุกข้อทุกอย่างที่จิตคิดจะต้องผ่านบันไดขึ้นมาโดยลำดับดังนี้จิตเอง กับบันไดที่จิตดำเนินผ่านขึ้นมาตามลำดับนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของกายและจิตนี่ ของทุกๆคนจัดเป็นอัพยากัตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลไม่ใช่อากุศล ไม่ชีบาบไม่ชีบุญเป็นวิบาคขันคือเป็นขันซึ่ง ได้มาแต่กำเนิดเริ่มต้นเกิดก่อขึ้นในคันของมารดาซึ่งทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นวิบากคือผลของกรรม รอมท้งกิเลสซึ่งได้ประกอบกระทาไปแล้วเป็นชนะ ก, กรรมกรรมที่นำให้เกิดขึ้นมา และเมื่อธาตุทั้งหลายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศเริ่มต้นขึ้นได้ที่คันทพะ คนทันท่านใช้สับเรียกดังนี้อันได้แก่ปฏิสนธิจิตก็มาปฏิสนธิตามกรรมเป็นปฏิสนธิจิตเป็นปฏิสนธิวิญญาณ เป็นอันว่าเริ่มมีธาตุหกธา ด, ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศแต่ธาตุวิญญาณอันนี้นวิญญาณธาตุเป็นบุรุษสตรีสัตว์บุคคลทุกๆคนนี้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมา ในทางพระวินยัยได้แสดงนับว่าเริ่มเป็นชาติคือความเกิดดังแต่ปฐมมจิตปฐมมวิญญาณในขันของมารดาดังกล่าว และก็อาศัยอาหารเติบโตขึ้นโดยลําดับจนถึงคลอดออกมาก็อาศัยอาหารเติบโตขึ้นมาโดยลําดับเป็นธาตุหกเป็นกายเป็นจิต เป็นขันอาจตนะธาตุเป็นขันห้าเป็นนามรูปอันเป็นที่ตั้งของสมบทบัญญัติว่าเป็นอัตภาพเป็นตัวเราเป็นเรานี่เป็นวิบากขัน วิบากอาจนวิบากธาตุของชนะ ก, กรรมที่นำให้มาเกิดพร้อมทั้งกิเลสเป็นกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไม่ใช่กุศล ไ, ไม่ใช่อกุศลี่แหละสำหรับ รู ป, ปกายอันเป็นที่อาศัยของจิตพร้อมกับมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุต่างๆอันเป็นที่ตั้งของนามธรรมาต่างๆ ก็มีกระบวนคุของจิตใจเป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมดาดังที่กล่าวมาแล้วและสำหรับรูปประกายนั้นอันเป็นส่วนรูปคือกองรูปนั้นก็สังเกตกำหนดได้ง่าย เป็นที่ตั้งของวิปัสสนากรรมาฐานคือเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมาฐานและก็น่าจะเป็นที่วิญญาณกับสัมผัสนั้นกำหนดได้ยากในขันห้าจึงได้จัดนามธรรมาต่อจากรูประขันก็เป็นมาก็มาเป็นเวทนา สัญญาสังขารแล้วจึงนำมานำวิญญาณมาเป็นข้อท้ายเพื่อเป็นมีปััสนาภูมิเป็นภูมิสำหรับพิจารณาทางมีปััสนาให้เห็นไตรลักษ เมื่อกำหนดรูปนั่นเป็นของหยาบแล้วก็มาเวทนาซึ่งก็เป็นนามนธรรมที่หยาบดังกล่าวแล้วก็มาสัญญามาสังขารเมื่อมาถึงสังขารก็แปล ว, ว่าได้กำหนดนามนธรรมถนัดขึ้นจึงมาวิญญาณเป็นข้อห้า ตึงจะกำหนดได้ง่ายเขาคือกำหนดตัวรู้ที่เป็นไปกับความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆเพราะว่าเมื่อปรุงคิดหรือคิดปรุงไปต่างๆนั้นก็ยะมมีตัวรู้ประกอบอยู่ด้วย คือรู้ว่าคิดอะไรปรุงอะไรแต่ว่าโดยมากนั้นผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมะมักจะไม่คิดถึงตัวรู้ที่ประกอบกันไปอยู่กับความคิดปรุงหรือความปรุงคิด เพราะไปมุ่งคิดปรงุงหรือปรุงคิดและไปติดอยู่ในกิเลสยินดียินร้ายหลงงมงายอันมังเกิดขึ้นจากสิ่งที่คิดปรงุงหรือปรุงคิดนั้น ยังไม่ได้มานึกถึงตัวรู้ว่าอันที่จริงนั่นทุกคนคิดอะไรก็รู้ไปด้วยว่าคิดอะไรจะนั่นหากขัดกำหนดดูตัวรู้ที่ไปกับตัวคิดปรุงหรือปรุงคิด ก็ย่อมจะจับตัวรู้ได้และก็ย่อมจะรู้จักว่านั่นแหละเป็นวิญญาณที่ในขั้นนี้ก็เป็นมโนวิญญาณและเมื่อเป็นดังนี้ก็มาหัดจับวิญญาณคือตัวรู้ เมื่ออายตนาภายในภายนอกมาประจบกันดังเกล่าวมาข้างตน้นซึ่งเมื่ออายานาททางสองมาประจบกันแล้วโดยปกติก็ยอมจะเกิดตัวรู้ รู้รูปที่เรียกว่าเห็นรูปรู้เสียงที่เรียกว่าได้ยินเสียงแต่ว่าจะต้องมีความเข้าใจอีกอันหนึ่งว่าจิตนี้จะต้องตั้งอยู่ เพื่อที่จะรู้ด้วยคือเมื่อตากับรูปประจุบกันจิตนี้จะต้องตั้งอยู่เพื่อที่จะดูรูปรู้รูปจึงจะเห็นรูป เกิดเป็นจักขะูวิญญาณเมื่อหูกับเสียงประจบกันจิตนี้จะต้องตั้งอยู่ที่จะรู้เสียงจึงจะเกิดโสตะวิญญาณคือได้ยินเสียงถ้าจิตนี้ไม่ตั้งแม้ว่า จะมีรูปมาอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะตามีเสียงมากระทบหูโสตรประสาทแต่ก็ไม่เห็นไม่ได้ยินถ้าจิตไม่ตั้งเหมือนดังที่กำลังบรรยายทำอยู่นี่ ท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่นี้จะต้องมีจิตตั้งที่จะฟังด้วยจึงจะได้ยินเสียงที่แสดงนี้แต่หากว่าถ้าจิตไม่ตั้งที่จะฟังคือส่งจิตไปเสยในที่อื่น แม้เสียงที่แสดงนี้จะไปกระทบโสตประสาทแต่ก็ไม่ได้ยินหูดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะฟังอาณาจันรทุกข้ อ, อย่อมเป็นดังนี้ตาดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะดู หูดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะฟังจมูกดับลิ้นดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะทราบกลิ่นทราบรสกายดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะทราบสิ่งถูกต้องเพราะฉะนั้น จิตจึงต้องตั้งต้องประกอบอยู่เรื่องกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมโนโข้อที่หนั่นเองที่เป็นอาจรจฉะข้อที่หที่เรียกวัจัจจะต้องตั้งอยู่ประกอบอยู่กับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกาย ด้วยทุกเรื่องไปตาหูจมุกเล่นกายใจจังจะไม่ดับธรรมโนมไม่มาประกอบอยู่ด้วยแล้วก็ดับนี่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อ อาจตนะนภายในภายนอกประจวบกันก็เกิดความรู้ขึ้นจึงอาจหัดกำหนดดูได้ดูตัวเห็นตัวได้ยินคือตัวรู้นั่นเองที่บังเกิดขึ้นนั้นและถ้าหากว่าจิตนี้ตั้งกำหนดอยู่เพียงเท่านี้ คือเพียงแค่จกขูวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นคือเมื่อตากับรูปประจบกันจิตตั้งกำหนดก็เห็นรูปแล้วจิตก็ถอนไปเสีย ถ้าเป็นดังนี้เรื่องนั้นก็ดับอยู่แค่นั้นไม่เป็นสัมผัสไม่เกิดเวทนาสัญญาสังขารอะไรเพราะฉะนั้นหากว่าจิตตั้งอยู่ต่อไปกำหนดต่อไปกล่าวคือเมื่อตากับรูปประจบกันจิตตั้งเพื่อที่จะทราบรูป เห็นรูปก็เกิดจักขุูวิญญาณเมื่อจิตตั้งอยู่ในเรื่องนี้ต่อไปก็คือจิตได้นำเอาตารูปและตัวจักขะูวิญญาณคือตัวรู้ตัวเห็นรูปนั้นมาประชุมกันเองในจิต เป็นสัมผัสแปล ว, ว่าเรื่องนั้นก็กระทบถึงจิตแรงขึ้นจิตไม่ปล่อยแล้วถ้าจิตไม่ปล่อยต่อไปจึงจะเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแต่ถ้าจิตปล่อยอยู่แค่นี้ไปเรื่องอื่นเสียก็ดับไปแค่สัมผัสเท่านั้น เพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งอยู่นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและจิตที่ตั้งอยู่นี่แหละคือตัวสมาธิซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาการหัดทำสมาธินั่นก็คือเป็นการหัดให้ตั้งอยู่ในทางที่ดีที่ชอบนั่นเองแต่อันที่จริงตามธรรมชาติธรรมดานั้นก็ต้องมีสมาธิคือจิตจะต้องตั้งอยู่ วิถีจิตจึงจะเป็นไปได้ดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นสัมผัสนั้นก็คือความที่อาจตนาภายในภายนอกกับตัวเห็นรูปเป็นต้นนั้นมารวมกันกระทบจิตแรงขึ้นจึงจะเป็นเวทนาขึ้นมาเพราะฉะนั้น หากขัดกำหนดจริงๆแล้วก็กำหนดได้สัมผัสก็มีลักษณะดังที่แส ด, แสดงมานี้จึงเป็นสัมผัสหกหรือเรียกว่าผัสสะเฉยๆต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำสความสงบสืบต่อไปบัรนี้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 ทำสมาธิในการฟังเพื่อปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ มาโดยลำดับเมื่อท่านได้แสดงเทรอธิบายจบไปตอนหนึ่งตอนหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบเรียนถามท่าน ว่าจะมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกหรือไม่ซึ่งท่านก็ตอบว่ามีในวันนี้จึงจะได้แสดงต่อไปถึงคำตอบของท่าน สืบต่อจากที่ได้แสดงมาแล้วคือท่านได้แสดงว่ามีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกคือสมมติทิฏฐิความเห็นชอบ ก็ได้แก่รู้จักสลายตนะอายตนะหกรู้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะหกรู้จักความดับอายตนะหก รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาญตนะหกเมื่อท่านตั้งหัวข้อขึอข้นสี่ข้อดังนี้แล้วก็ได้แสดงอธิบายขยายความต่อไปว่ารู้จักสลาญานะอายตนะหก ก็คือรู้จักอายตนะณภายในทั้งหกอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและมนณะคือใจรูจ้จักเหตุเกิดแห่งอายตนะณะทั้งหก ก็รู้จักว่าเพราะนามารูปเกิดอาจตนะทั้งหกจึงเกิดอายตนะจึงเกิดเพราะเกิดนามารูป รู้จักความดับแห่งอาญตนะทั้งหกก็คือรู้จักความดับแห่งนามะรูปรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาญานะทั้งหกก็คือรู้จักมัชมีองค์แปดอันได้แก่ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นจะได้อธิบายในข้อแรกคืออาิยธรรภายในทั้งหกอันอาิยธรรนี้ เป็นส่วนของอัตภาพนี้